หลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้คนปรารถนาหรืออาจจะใฝ่ฝันด้วยซ้ำเต็นไดไปเที่ยวต่างประเทศได้กินอาหารอร่อยหรือว่าได้รางวัลได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งแต่ว่าพอได้จริงๆแล้วได้สมอยากลวสมกับที่ใฝ่ฝันลหลายคนเนี่ยกับรู้สึกว่าหมันก็เท่านั้นเองอาจจะมีความพอใจมีความดีใจ มีความสุขอยู่พักหนึ่งแต่แ้วไม่นานนะก็แตถานตัวเองว่าถ้ามันแค่นี้เองหรืออันนี้คงเป็นประสบการณ์ที่หลายคนเคยประสบนะสิ่งที่คาดหวังอยากจะเจออยากจะได้อยากจะเสพแต่พอได้เจอได้เสพแล้วมันไม่ได้รู้สึกถึงนะความสุขมากเท่าไหร่เลย นี่เป็นพ่ออะไรนะก็เป็นเพราะว่าประการแรกคือมีความคาดหวังไว้สูงไปใน ต, ตอนที่ยังไม่ได้เจอไม่ได้พบไม่ได้ประสบก็คาดหวังไว้สูงเลยเช่นไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยไม่เคยไปก็คาดหวังว่าจะได้เจออะไรที่มันสุดยอดนะอาจจะเป็นเพราะได้ิเสียงเล่าลืออาจจะเห็นภาพทาง a c e b o o k ทางเว็บ ก็จินตนาการไว้เลิดรลอยหรือคาดหวังไว้สูงรวมทั้งนะอาจจะไปดูรีวิวนะโอ้ร้านนี้นี่ยอดนะแต่พอได้ไปสถานที่จริงได้ไปลิ้มรสนะอาหารมันกับไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรน่าสนใจแต่ว่า เป็นเพราะความคาดหวังตั้งไว้สูงไปอันนี้รวมถึงการได้รับรางวัลการได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยหรืออะไรก็ตามที่เราปรารถนาที่จะได้แม้กระทั่งถูกรางวัลถูกรัตเตอรี่แน่นอนก็มีความสุขมีความยินดีแต่ว่ามันก็มักจะอยู่ไม่นาน นอกจากเป็นเพราะค า, าดหวังสูงกว่าความเป็นจริงแล้วก็เป็นธรรมดานะของอารมณ์ทุกอย่างรวมทั้งความสุขด้วยคือพอเวลาผ่านไปมันก็ค่อยอจืดจางลงคนเรามีความสุขมากแค่ไหนเนี่ยพอเวลาผ่านไปความสุขมันก็จะลดลง มาสู่ระดับเดียวกับก่อนที่จะมีความสุขนั้นอันนี้มันเป็นธรรมชาติของใจเราเลยก็ได้ค่อยเรียกว่ามันอาจเป็นเพราะเรามีมีเรียกว่าจุดยืนพื้นก็ได้ความสุขไม่ว่ามันจะมากเพียงใดเพราะได้รับรางวัลถูกพระตอรีได้โชคได้ลาบได้สมอยาก ใจมันก็พุ่งขึ้นสูงแต่พอมาถึงจุดหนึ่งก็ค่อยตกลงมาสู่จุดเดิมเรียกว่าจุดยืนพื้นคล้ายๆกับคนที่พยายามลดความอ้วนสมมุติร้อยกิโลเนี่ยพยายามลดความอ้วนให้เหลือ8ปสมันก็ลดได้นะแต่พอเริ่มหย่อนยาน น้ำหนักตัวมันจะเริ่มกลับไปสู่จุดเดิมนะคือ100่งา้อทำนองเดียวกันนะคนที่พยายามกินอาหารเพิ่มน้ำหนักอาจจะ50กิโลอยากจะเพิ่มน้ำหนักสัก10กิโลเป็น60ทีแรกมก็ดูเหมือนว่าเพิ่มได้นะเพิ่มเึ็นก0แต่ว่าพอปล่อยสักหน่อยนี่น้ำหนักก็จะลดมาสู่จุดเดิมนะคือ50 จุดยืนพื้นแล้ว น, นี่ก็เลยเป็นปัญหาคนที่พยายามลดความอ้วนลดเท่าไหร่เท่าไรเผินิดเดียวมันเด้งกลับไปสู่จุดเดิมนะคือแปดสิบบ้างร้อยบ้างไอความสุขก็เหมือนกันนะใจที่มันรื่นโลดดีใจพอสมหยากเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นนะ แต่พอเวลาผ่านไปมันก็ค่อยลดลงจนมาถึงจุดยืนพื้นหรือจุดเดิมก่อนที่จะได้โชคได้ลาภได้เศษสิ่งที่ปรารถนาหรือสิ่งที่ใฝ่ฝันอันนี้ไม่นับนะความคุ้นชินนะคือพอเราเสพอะไรมากๆเนี่ยมันก็จะเริ่มชิน อาหารอร่อยเนี่ยตอนที่เรากินมื้อแรกหรือคําแรกนี่มันอร่อยมากเลยแต่ถ้าเรากินทุกมือ้อทุกมือ้อทุกมือ้อสามสี่วันติดต่อกันมันจะไม่รู้สึกอร่อยแล้วเท่าที่รสชาติก็เหมือนเดิมนะแต่ความรู้สึกเรียว่าความสุขเนี่ยความพึงพอใจมันก็ค่อยๆลดลงนะจากมีความสุขความรู้สึกอร่อย ตอนหลังก็กลายเป็นความรู้สึกเฉยเฉยถ้ากินต่อไปมันก็เริ่มเบื่อถ้ากินต่อไปรสชาติเดิมๆแล้วมันจะอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าก็รู้สึกเริ่มเอียนแล้วถ้ากินมากกว่านั้นก็จะอาจเจียนเลย <c oughs> น, นี้เป็นธรรมชาติของใจเหมือนกันนะคือพอมันเจออะไรบ่อยๆเจออะไรซ้ําๆมันก็จะเริ่มคุ้นเริ่มชิน อันนี้ไม่ใช่ว่าอาหารเดียวเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่รถราคาแพงรถหรูซูปเปอร์คาร์ได้มาใหม่ๆมั่มก็มีความสุขแต่พอผ่านเวลาผ่านไปสักามสเดือนมันก็เริ่มรู้สึกเฉยๆแล้วแล้วถ้าจะมีความสุขอย่างที่เคยเป็นก็ต้องมีคันใหม่ต้องมีคันใหม่มันถึงจะ จิตมันถึงจะดีใจมีความสุขเหมือนกับตอนที่ซื้อคันแรกมาใหม่ๆไอ้ความรู้สึกคุ้นชินเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนหลังจากที่ได้สมอยากแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแค่นี้เองเหรอหรือว่ามันก็เท่านั้นเองซึ่งก็ทำให้หลายคนก็อยากจะหาของใหม่อยากจะ ไต่เต้าแสวงหาสิ่งใหม่เพื่อ ม, มาเพิ่มเขดความสุขขึ้นแต่ก็พอได้มาสมอยากมันก็กลับมาสู่จุดเดิมก็คือมันก็เท่านั้นเองหรือเกิดความพิสวงว่ามันแค่เนี่ยงเหรออันนี้ไม่ใช่พอสิ่งที่เราปรารถนาหรือไฝฝันนะแม้กรทั้งสิ่งที่ตรงข้ามเนี่ย สิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งที่เราอยากจะหนีอยากจะเลี่ยงนะแต่พอเราเจอเข้าจริงๆใหม่ๆอาจจะทุกข์แต่ผ่านไปสักพักเนเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเออมันก็แค่นั้นแหละมันไม่เห็นน่ากลัวอย่างที่เราเคยคิดเลยอันนี้เพราะอะไรนะก็เพราะเราปรุงแต่งมัน ให้มันเลวร้ายเกินจริงการที่เราปรุงแต่งมันเลวร้ายเกินจริงแต่พอเราเจอมันเข้ามันก็ไม่ เ, เลวร้ายอย่างที่คาดคิดเลยเช่นงานล้มเหลวก่อนที่งานมันจะล้มเหลวนี่กลัวมากเลยเปรียดนกลัวงานล้มเหลวแต่พอเวลามันล้มเหลวจริงๆเออมันก็ไม่ได้ เ, เลวร้ายอย่างที่นึกเอาไว้คนบางคนเนี่ยนะ กลัวตกเครื่องบินมากเลยเวลาจะขึ้นเครื่องบินนี่ต้องไปก่อนเวลาสองชั่วโมงกลัวมากและตอนที่ตกเครื่องบินข้างล่างนี่วมันเครียดมากเลยทาอะไรไม่ถูกแต่พอผ่านไปสักพักเออมันก็แค่นั้นเองมันไม่เห็นมันไม่ได้แย่เวลวร้ายอย่างที่นึกเท่าไหร่เลยหรือบางคนเนี่ยบวชพระเนี่ยจะบวชพระเนี่ย ใจหนึ่งก็อยากบวชแต่ใจหนึ่งก็กลัวกังวลว่าจะบวชได้ไหมนะต้องมาอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวต้องห่างไกลญาติพี่น้องนะต้องมาใช้ช่วยที่ลำบากแต่พอบวชเข้าไปได้สักพักนะเออมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่นึกนะ ความยากลำบากเนี่ยมันก็แค่นี้เองทันี้จะรวมไปถึงเด็กวัยรุ่นนะหรือว่าหนุ่มสาวเนี่ยต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือโอยใจสั่นเลยนะวิตกกองว่าฉันจะอยู่ได้ไงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือมีสัญญาณแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ แต่พอไปไปอยู่ข้างจริงออทีแรกก็อาจจะกังวลกวายรู้สึกเครียดกระสรับกระส่ายแต่ผ่านไปสักพักก็ไม่ได้แ ย, ยงที่นึกมันก็แค่นี้เองแหละอันนี้ก็คือสิ่งที่หลายคนนะั้นได้ได้พบนะในยามที่ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ปรารถนานักเรียนมัธยมหลายคนที่มาเดินธรรมยาตราพอครูสั่งให้มาเนี่ย หรือเป็นหลักสูตรของโรงเรียนธรรมยาตาที่อสุกโตจัดเนี่ยหลายก็กลัวนะเพราะว่าโทรศัพท์ ม, มือถือก็ใช้ไม่ได้แล้วต้องเจอความยากลำบากต้องนอนกลางยิงๆ ก, กลางทรายเครียดมากเลยก่อนมาแล้วก็คิดว่าตัวเองจะไปไม่รอดนะแต่พอผ่านไปเจ็ดวันหรือครบ กำหนดการเดินเท่ากับดีใจนะไม่ใช้ดีใจที่มันเสร็จแต่ดีใจเพราะว่าเราทำได้มันไม่เห็นาลำบากอย่างที่คิดเลยความลำบากก็แค่นี้เองอันนี้เพราะอะไรนะมันก็เพราะว่าปรุงแต่งนะวาดหวังวาดภาพไปในทางลบเกินจริง ในประการน่คือว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไงเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันก็กลับมาสู่จุดยืนพื้นอย่างที่พูดมาสักครู่เนี่ยความสุขเนี่ยมันสุขไปสักพักมันก็กลับมาสู่จุดยืนพื้นไอ้ความทุกข์ก็เหมือนกันพอทุกไปสักพักมันก็จะกลับมาสู่จุดยืนพื้นก่อนที่จะเจอกับ เหตุการณ์นั้นเราจะเราเป็นการปรับตัวได้เป็นการปรับตัวของใจก็ได้อันนี้คือเพราะทำไมเนี่ยคนที่สูญเสีย อ, อยวัยวะเช่นตาบอดหรือต้องตัดแขนตัดขาพิการตลอดชีวิตเพราะอุบัติเหตุใหม่ๆนี่ก็เหมือนกับว่าหมดอะไรตายอยาง ก, กชีวิตนะ บางคนนี่ถึงกับรู้สึกว่าฉันอยู่ต่อไม่ได้แล้วตาฉันบอดฉันมองไม่เห็นฉันเดินไม่ได้แต่พอเวลาผ่านไปสักพักนี้ก็ยิ้มได้ความรู้สึกกลับมาเป็นปกตินะจึงมีคนก็พูดว่าเนี่ยคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับคนที่ เสียขาเพราะอุบัติเหตุนเนี่ยถ้าเวลาผ่านไปสักปี2ปีเนี่ยความรู้สึกของสองคนนี่จะคล้ายๆกันคนหนึ่งดีใจมากเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นปกติคนหนึ่งทุกข์มากเสร็จแล้วกลับมาสู่จุดยืนพื้นนะความรู้สึกไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ทั้งที่เหตุการณ์ที่เจอนี่มันตรงกันข้ามกันเลยนี่เป็นธรรมชาติของใจ เพราะนั้นนี่นนคนเราเนี่ยไม่ว่าเจอไม่ว่าคาดหวังเกี่ยวกับความสุขหรือสิ่งที่ปรารถนาหรือหวาดวิตกอยากจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ปรารถนาเมื่อเจอเขาจริงๆนะมันก็จะมีความรู้สึกไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ ในงนี่ยมันก็เตือนใจเรานะว่าอย่าไปคาดหวังกับความสุขอย่าไปคาดหวังกับสิ่งที่ปรารถนามากเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างที่คาดแล้วก็อย่าไปกลัวสิ่งที่เราอยากจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าพอเจอเขาจริงๆมันก็ ไม่ได้แย่อย่างที่เรานึกไอ้ความคิดของเราเนี่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยบ่อยครั้งมันก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะสิ่งที่เราคิดว่าดีกับเราพอเจอเข้อจริงๆอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ดีกับเราพอเจอเข้อจริงๆอาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้อย่างเขาเคย ทดลองนะมีการสอบถามผู้โดยสารที่จะนั่งรถไฟสายยาวเนี่ยเพื่อถามว่าเนี่ยถ้าคุณต้องพูดคุยกับคนแปลกหน้าบนรถไฟเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรคุณรู้คิดว่ามันดีไหมถ้าส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าไม่เอาอะ ไม่ดีเลยฉันอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าดูโทรศัพท์มือถือแต่คนนี้เนี่ยเขาก็จะหลังจากที่สอบถามคนเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะให้ครึ่งหนึ่งเนี่ยนะเมื่อคุณรถไฟแล้วเนี่ยลองพูดคุยกับคนแปลกหน้าดูอีกครึ่งหนึ่งก็ทำแล้วก็ได้อย่างที่อยากทำ อ่านหนังสือพิมพ์เล่นปิดสน اق สอนไขว้ดูโทรศัพท์มือถือไม่ต้องพูดคุยกับใครหลไรนั่นเนี่ยเขาก็เมื่อเดินทางเสร็จก็กมีการสอบถามว่าคนที่พูดคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยรู้สึกอย่างไรในที่แรกตอนที่ก่อนที่ได้คุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่ชอบเป็นเรื่องที่ฉัน ไม่รู้สึกดีด้วยแต่พอได้คุยกับคนแปลกหน้าหลายคนบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคือไม่คิดมาก่อนว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจเท่านั้นอันนี้รวมถึงคนที่ปกติก็เวลาขึ้นรถไฟก็ไม่พูดคุยกับใครอยู่คนเดียวแต่พอลองได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออมันก็ดีนะ ในการทดลองนี่มันก็เชื่อเห็นนะ ว, ว่าไอ้ความคิดของเราเกี่ยวกับสิงใดสิ่งหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ถูกต้องมันไม่ตรงตามความเป็นจริงเท่าไหร่หลายคนเราเวลานึกถึงการไปพูดคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยเรามักจะเห็นข้อเสียเรามักจะมองเห็นข้อเสียเกินจริงแล้วก็มองเห็นข้อดีต่ํากว่าความเป็นจริง แต่พอได้พูดคุยกันจริงๆเขาเออกับพบว่าข้อเสียมันน้อยข้อดีมันมากกว่าอันนี้ก็คล้ายๆกับที่เขาทดลองว่าเนี่ยให้เงินคุณมาร้อยบาทเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็เอาไปทำอะไรก็ได้ดูหนังไปกินหนมซื้อของอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เอาไปทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นทีแรกกลุ่มที่กลุ่มที่สองเนี่ยเาคิดว่า ได้เงินร้อยบาทนี่แทนที่จะเอาไปกินเอาไปเที่ยวเอาไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันจะดีอะไรแต่พอได้ลองทาจริงอ้ก็พวกมันดีนะส่วนใหญ่ก็จะบมีความสุขมากกว่าเอาไปกินไปเที่ยวนะหรือว่าเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันนี้มันก็แสดงว่าสิ่งที่เราคิดว่า มันไม่ดีเนี่ยหรือว่ามันสร้างปัญหากับเราเอาข้อจริงเนี่ยมันดีกว่าที่เราคิดทั้งนี้เป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยชอบมักจะในบางเรื่องเรามักมักจะมองด้านลบสูงเกินจริงแล้วก็มองเห็นด้านบวกต่ากว่าความเป็นจริง หรือเพื่้อย่างนึ่งคือว่าคนเราเนี่ยมักจะคิดว่าไอ้สิ่งนี้ดีกับเราสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยในทาตรงข้ามสิ่งสําหรเครื่องมันแย่เป็นปัญหาให้กับเราเนี่ยพอได้ทดลองทอําจริงๆเออมันกลับดีมันไม่ได้แย่ยอย่างที่คิดนี่ถ้ามองใกล้ตัวเนี่ยคนที่หลายคนเนี่ยเวลา พูดถึงการปฏิบัติธรรมพูดถึงเรื่องการเจริญสติการทำสมาธิภาวนาเนี่ยาจจะรู้สึกว่าดีก็จริงนะแต่ว่ามันยากทำแล้วเนี่ยมันมีแต่ทำให้อึดอัดเหนะ่เครียดแต่สิ่งที่คิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้เพราะว่าพอได้ลองทำดูก็จะพบว่า มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะมันไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดแล้วก็มันสามารถทำให้เรามีความสุขได้ไม่ยากหลายคนเนี่ยไม่กล้ามาปฏิบัติธรรมไม่กล้ามาเจริญสติเพราะว่าไปมองเห็นข้อเสียหรือความยากลำบากเนี่ย มากเกินจริงแต่คนเราจะไม่รู้นะว่าเรามองข้อเสียมากเกินจริงหรือเปล่าจนกว่าเราได้ทดลองปฏิบัติแล้วเราจะพบว่ามันไม่ได้ยากลำบากขนาดนั้นในทางตรงข้ามเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่าเออมันใช่มันให้ความสุขกับเราแต่ข้างจริงเนี่ย ก็ได้ลองทำดูพบว่ามันสร้างภาระมันสร้างปัญหากับเราอันนี้ก็เพราะว่าไปมองข้อดีสูงเกินจริงแล้วเราก็มองข้อเสียต่ำกว่าความเป็นจริงมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนในชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่บางครั้งเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตแล้วเราก็เกิดความไม่กล้าขึ้นมา เช่บางคนเนี่ยก็ไม่ชอบนะชีวิตที่ต้องกินเงินเดือนแต่พอนึกถึงการที่ต้องไปทำอาชีพที่ต้องพึ่งตัวเองเป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยรู้สึกว่ามันยากรู้สึกมันลําบากรู้สึกว่ ม, กกวมันไม่ใช่อันนี้อาจเป็นความคิดที่ คลายเคลื่อนจากความเป็นจริงก็ได้เพราะถ้าได้ลองทำดูจะพบว่าเออเหมันใช่เมือ่อหลายคนเนี่ยนะที่ไม่อยากจะทิ้งงานที่กินเงินเดือนเพราะว่ามันมั่นคงแต่เหตุจำเป็นนะทให้ต้องออกจากงานที่ว่าเราต้องไปค้าขายไปทำร้านอาหาร ไปขายสินค้าออนไลน์แล้วพบ ว, ว่าเออมันใชนะ่แต่ก่อนนี่ไม่กล้าเพราะไปมองว่ามันมีข้อเสียเยอะมีข้อดีน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการมองที่คลาดเคลื่อนหรือบางคนเนี่ยนะไม่ชอบชีวิตในกรุงเทพนะแต่ว่า ไม่กล้าไม่อยากที่จะไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดเพราะว่ามองเห็นแต่ปัญหามองเห็นแต่ข้อเสียแต่พอเหตุจำเป็นให้ต้องออกไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดก็พบว่าเออมันใช่ฮะมันคือสิ่งที่ชีวิตเราต้องการแต่ทำไมนะก่อนน้นนั้นเนี่ยไม่กล้านะก็เพราะมองเห็นแต่ข้อเสียข้อดีมองไม่ค่อยเห็น อันนี้มันก็ชี้ว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยอาจจะไม่ตรงความเป็นจริงก็ได้แล้วเราจะรู้ได้ไว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะมันเหมาะกับเราหรือไม่หรือมันเป็นประโยชน์กับเราหรือไม่มันก็ต้องทดลองปฏิบัติทดลองทำดูอย่าไปเชื่อความคิดของตัวเองมากเกินไปเพราะว่าสิ่งที่คิดอาจจะไม่ตรงความเป็นจริงก็ได้แล้วคนเราเนี่ยเอาว่าไปแล้ว มันก็ไม่มันก็ไม่รู้นะว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะไรคือสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราจริงๆไอ้สิ่งที่เราเชื่อมันจะให้ความสุขกับเราอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือสิ่งที่เราเชื่อมันยากลํา บ, บากที่จริงมันอาจจะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อความคิดมากต้องลองทําต้องลองปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองมันจึงจะรู้ว่านี่ใช่หรือไม่ใช่